สำหรับเมื่อวานนี้เราได้พูดกันมาถึงอุปจารสมาธิก็เห็นว่าจะคงจำกันได้นะความจริงการที่พูดในฟังนี้ต้องพยายามจำให้ได้เพราะว่าพูดบางทีแล้วก็ใช้ลีลาที่ไม่เหมือนกับตารา เพราะว่าเวลาพูดเอาของจริงไม่ใช่กันการเขียนตำราในบางทีแล้วก็เขียนของจริงให้ครบพ้นไม่ได้ท่ า, าคนคงจะจำในรือว่าการเข้าจิตเข้าถึงอุปจาระสมาธิก็ต้องผ่านปีติห้าประการคือหนึ่งผลพองสยองกล่าวสองน้ำตาไหลสามร่างกายโยกโรง แล้วก็สี่กายลอยขึบนอากาศห้าเมการสรับสนแล้วก็เข้าถึงสุขนี่เป็นอาการหูประจาระสมาธิแล้วก็ทว่าอาการของปีติทั้งห้าอย่างนี้เราจะไปกระไปเกณฑ์ให้มิรู้สึกว่ามีครบทั้งห้าอย่างทุกองค์นี้มีได้นี่ว่ากันทั้งเรื่องการปฏิบัติจริง บางท่านจะหากว่าเป็นวิสัยของพุทธภูมิโดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่งที่ท่านปฏิบัติเพื่อพุทธภูมิคือปรารถนาเป็นเราพุทธเจ้าอันนี้จะต้องผ่านทุกอย่างแลว้วแต่ได้อย่างจะจะผ่านไปได้ขอใช้เวลาช้าเพราะาต้องเก็บความรู้สึกทุกอย่างในขณะที่ผ่านปีติแต่ได้อย่างอันนี้ต้องจำไว้นะ นี่ผมไม่ได้เขียนไม่ในตำราสำหรับสาวกภูมินี่ไม่แน่นักบางท่านผ่านปีติต้นคือขนพองสยองกล่าวแล้วปีติอีกสีอันบางทีผ่านเพืดเดียวไม่รู้สึกตัวเลยไปพบเอาจริงๆเข้าปฐมฌานก็มีบางท่านก็ผ่านปีติเพ่งปีติหนึ่งปีติที่สอง บางท่านไม่ได้ผ่านปีติต้นความจริงอารมณ์มันผ่านแต่ว่าผ่านเร็วทีวนี้อึดอัด ก, ก็ไปชนปีติตัวปลายเลยก็มี <c oughs> ทีนั้นเวลาอ่านตำรายก็ต้องเข้าใจเพราะว่าไม่ได้เขียนไว้ว่าทําไมอาการของปีติเนีเขียนไว้ถึงห้าอย่างแต่ว่าเวลาเราปฏิบัติมันเข้ามาถึงบกระทบใจเราไม่พบห้าอย่างอันนี้ก็ต้องจําไว้เป็นพิเศษ <c oughs> ในบริการหนึ่งถ้าหากว่าในอดีตชาติเราเป็นเคยเป็นคนได้ชานมาก่อนจะเป็นชานที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่หรืออะไรก็ตามนี่สมมติว่าถ้าเราได้มาก่อนนะนี่เ่ะว่าเรามาเจริญสมาธิเพียงแค่ผ่านขณิกสมาธิเป็นสมาธิเล็กน้อยไปชั่วขณะหนึ่ง เทาถึงปีติอารมณ์ของจิตมันก็วิ่งเข้าไปชนชานปลายท่าที่ได้แล้วมาคนใหเราก็เลยไม่รู้ว่าชานที่หนึ่งที่สอ ง, ท, สองที่สามนี่มันเป็นยังไงนี่หมายความสมมติว่เราได้ชานสี่นี่องรู้ด้วยว่าการที่เขียนไว้อธิบายว่าปีติมีห้าอย่างแต่ได้อย่างมีอาการเป็นอย่างไรก็ดี และการเขาสุขเป็นยังไงก็ดีและทานจะได้อย่างที่จะพูดต่อไปมีอาการแบบไหนก็ดีนี่ต้องเข้าใจว่าเป็นลีลาหรือผลที่จะเกิดจากท่านโดยเฉพาะท่านที่เรียกว่าอาธิกรรมิกะบุคคลคำว่าอาธิกรรมิกะบุคคลก็หมายถึงว่าบุคคลผู้เริ่มต้นเจริญพระกรรมาฐานซึ่งยังไม่เคยมีผลมาตั้งแต่อดีตชาติ กรณีสำหรับท่านที่มีผลมาตั้งแต่แต่อดีตชาติตัวอย่างเช่นท่านท่านที่เคยได้ทิปิจุภาภาณมาแต่ชาติก่อนพูดไม่รู้สึกว่าเวลาเขาทำรกรรมฐานใช้เวลาไม่นานบางทีเข้ามาเจริญรกรรมฐานในขั้นต้นเพียงแค่สองวันสามวันบางคนก็วันเดียวพอจิตจับอารมณ์ทั้งอุปจารสมาธิทิ พ, พยจุฬาณ์จะเกิดเลย เขาสามารถจะเห็นผีเห็นเทวดาเห็นนรกเห็นสวรรค์เห็นอะไรก็ได้ตามความประสงค์นี่นะครบว่าเราไม่ใช่เป็นบุคคลที่เคยได้มาก่อนไม่เห็นท่านบุญนัยเข้าได้แบบนั้นก็คิดว่าไอ้เรานี่ไม่มีวาสนาบารมีอย่างนี้มันก็ไม่ถูกเพราะนั่นไม่ใช่สายของเราถ้าเป็นสายของเขาที่เขาได้มาก่อนเพราะมันชนยังเข้ามันก็ได้เลย อะไรเพราะจิตเข้าถึงระดับโดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่งทิฏฐิจุภูยานจะเกิดในขณะที่จิตเข้าถึงอุปจารสมาธิหากว่าเราจะได้ฌานสี่หรือฌานแปก็ตามถ้าเราต้องการอยากจะรู้อะไรอยากจะเห็นอะไรก็ต้องถอยหลังจิตกมาถึงอุปจารสมาธิมันจึงจะเห็นแต่ว่าที่ใช้กําลังฌานสูงได้พวกกําลังฌานสูงมีกําลังการทรงตัวมาก เมื่อมีกำลังทรงตัวมากเราถ่เบรคขารมอารมณ์เจนผ่องใสนี่เวลาเราต้องการเห็นอะไรเมืนน่อขณะถอยหลังจิตก็้ามาทุ่ประจารสมาธิมันก็ถึงง่ายมัชัดเจนจำใสกว่าจะพูดจะคุยเป็นก็ใช้วเวลาได้นานสร้างกำลังชาญที่เราจะส่งได้อันนี้ขอท่านหลายเข้าใจไว้ตามนี้นะ ว่เดี๋ยวจะไปสงสัยว่าดิเราทํากันมาตั้งนานแล้วเนี่ยไม่มันได้ชานสักทีหรือได้ชาเนื้อไม่ได้ชานถ้าเราไม่รู้จักชาเนี่มันก็ซวยหนักเหมือนกันมันแบบว่าเ้าใช้เราไปเลี้ยงควายให้เราไม่เคยรู้จักควายดีไม่ดีจะเอาหมาไปเลี้ยงเขามันก็ไม่กิน้าแล้ว<ฮ>ใช่ไหมมันต้องรู้จักควายว่าควายรูปร่างมันเป็นยังไง นี่ก็เหมือนกันการจะได้ฌานไม่ได้ฌานมันต้องรู้อาการของฌานนี่เมื่อวานนี่เราพูดกันถึงอาการของอุปจารสมาธิอุปจารสมาธิก็หมายถึงว่าการผ่านปีติห้าสิการเข้ามาถึงสุขแล้วก็สามารถจะสรงอารมณ์แห่งความสุขได้อยู่ตามอัธยาศัยก็ไม่นานนักเพราะกําลังมันยังไม่ดี อย่างนี้เรียกว่าอุปจาระสมาธิแล้วก็ตอนนี้แหละที่จิตเข้าถึงอารมณ์ความเป็นทิศจิตที่เข้าถึงอุปจาระสมาธิจิตมันเริ่มเป็นทิศก็ได้บอกแล้วว่าถ้าเราจะเห็นอะไรได้ก็ตอ้องตอนอุปจาระสมาธิในระหว่างนี้อาจจะเห็นภาพสอแสงสีต่างๆรายกดเฉพาะหน้าถ้าหาว่าเป็น เป็นนิมิตของอนาปานุสติกรรมฐานมันจะเป็นสีเขียวสีเหลืองสีแดงหรือว่า้าเป็นพุทธานุสติกรรมฐานเราเคยได้มาเนกายก่อนก็จะปรากฏเป็นรูปพระพุทธเจ้าหรือว่าถ้าเราเคยได้ตะสิงกองใดกองหนึ่งมาถ้าเรารู้จักนิมิตจะ ส, สิงก็จะปรากฏนี่ตามแบบฉบับพระโบราณอาจารย์ที่ไานสอนกันมา เอาในสมัยที่ผมเรียนกับหรวงห่อปานบอกกันไว้นะพระวันหน้าบางทีจะไปชนเข้าบอกวิธีไว้ให้ทราบว่าพระในสมัยนั้นเป็นพระดีมากมีมากองแล้วก็เป็นพระที่เข้าถึงมรรคเข้าถึงผลก็หลายองค์บางทีก็เป็นพระโพธิสัตว์เกือบจะเต็มระดับหรือว่าเต็มระดับก็มี <c oughs> อันนี้ที่เราจะรู้ได้ก็ต้องอาศัยเอาธรรมะของพระพุทธเจ้าเข้าไปเป็นเครื่องสอบเนี้แต่และท่านถ้าไปหาท่านที่หลวงพ่อปานเคยสอนแล้วแล้วก็บอกให้ไปหาองค์นั้นบ้างองค์นี้บา้างท่านแนะนําให้ไปหาแต่ละองค์รุ่นแล้วจะเป็นพระสําคัญทั้งหมดถ้า แ, แต่และองค์ก็พูดเป็นเสียงเดียวกันถึวิธีของการปฏิบัติถ้าจะมาทานให้ได้ผลดี กันบอกว่ากรรมฐ า, านทั้งสี่สิบกองเราจะต้องรู้อารมณ์ให้หมดแล้วก็รู้นิมิตให้หมดคําว่านิมิตนี่จะหมายความว่กกาถ้าเราสิน้นแล้วก็รู้ตะสิ้นวินนิมิตไปยังไงจะสิ้นน้าไปยังไงจะสิ้นลมไปยังไงว่ากันไปด้านอสุภกรรมฐ า, านก็เหมือนกันแล้วก็ส่วนื่นก็เหมือนกันอันนี้ต้องกลับไปดูนะตํารา เพราะว่าถึงเวลาที่สอนจังหวัดนั้นจะบอกถ้าเราจำนิมิตหมดได้ทั้งหมดทั้ง40กล่อง <c oughs> ตอนนี้เวลาเจริญขั้นต้นท่านให้ใช้อนาปานสติเป็นพื้นฐานเดิมก็เลยบอกมาแล้วตอนในวานว่าทําไมจึงให้เจริญานาปาโนสติกสมาทานเป็นพื้นฐานใหญ่เพราะว่าพระพุทธเจ้าทราบดี ว่าพวกเราเนี่ยมีอารมณ์ฟุ้งซ่านอยู่เป็นปกติดะงนั้นในสายสุขวิปัสสโกโดยเฉพาะอย่างยิ่งในมหาสติปัฏฐานนัสูตรพระพุทธเจ้าจึงสอนพระกรรมฐานเพื่อทรงฌานมีอยู่อย่างเดียวคืออนนาพานุสติกรรมฐานแล้วก็สอนไม่เป็นอันดับต้นแในความจริงวิธีปฏิบัติในมหาสติปัฏฐานนั่นสูตรนะี่ยจะปฏิบัติจะพิจาจรณากองไหนก็ตาม เขาจะต้องพยายามทรงอนาปานสติให้เป็นฌานถาว่าไม่สามารถจะทรงอนาปานสติให้เป็นฌานแล้วก็เสร็จทำไปหลายแสนตายก็ไม่ได้อะไรท่า <H m? S 1> น, นไงคุณพุทผมไม่บอกว่าตายเดียวนะหลายแสนตายนะตายหลายแสนครั้งนี่ไม่ได้อะไรแนละ้วคุณ เมืนี้พระอะไรพระว่าาอนาปานุสติกรรมฐานเนี่ยผมก็บอกแล้วเนี่ยเพราะว่าเป็นกรรมฐานที่ระงับที่ตกกริตเรียกว่าโมหะจริตในตัวทีโตกกริตโมหะจริตมันก็ไปชนกันกับนิวรณ์ตัวที่เรียกกันว่าอุตจักขุกุจตตตัวพุ่งสั่นได้สำคัญ อันนี้สำหรับบรดาท่านอาจารย์ทั้งหลายเหล่านั้นท่านสอนบอกว่าพยายามธรรมนาปานุสติกรรมฐานให้เข้าถึงที่สุดคำว่าถึงที่สุดก็คือฌานสี่คือไม่ปรากฏลมให้ใจเท่าออกมาถึงระดับนี้แล้วจิตจะมีความสบายทรงอาการอยู่ได้ขณะเดียวหมายความนี่เราเข้าถึงยังไม่ใช่เป็นผู้ทรงฌาน พอทําเข้าถึงอนนาปานุสติถึงชานสชั่วขณะหนึน่งจิตจะตกลงมาถึงอุปจารสมาธิพอ <c oughs> จิตกตกลงมาถึงอุปจารสมามธิแล้วก็มาผานที่เราเคยปฏิบัติมาในชาติก่อนมีอะไรบ้างในเาบันนั่งกันอยู่เนี่ยบางทีบางคนได้มาตั้งสิบกองยี่สิบกองก็มีในชาติที่ผ่านดีแต่เราไม่รู้ <c oughs> นี่พอจิตตกมาถึงอุปจารสมาธิแล้วกรรมาฐานที่เราจะได้ก่อนที่สุดลองไปจากนั้นนี่มิตจะปรากฏทันทีคือว่านิมิตที่เราเคยได้มาในชาติก่อนกองใดกองหนึ่งที่มันจะขึ้นมาก่อนแล้วก็เราจะทำได้คล่องกว่าเร็วกว่ามันจะปรากฏพอปรากฏนิมิต น, นั้นแล้วให้เปลี่ยนจากอนาปานุสติจับ ก, กรรมาฐานก่อนนั้นเป็นอารมณ์ทันที แบบนี้ก็ไม่เกินสามวันอย่างเรวที่สุดก็ไม่เกินเจ็ดวันก็มาถายกองนั่นก็เข้าถึงที่สุดใ น, นเมื่อกมาถายกองนั่นเข้าถึงที่สุดจะทรงอยู่ได้ชัว่วกะนาหนึ่งจิตจะตกลงมาอุปจารสมาธิมันตกของมันเองนี่นก็มาถายกองหลังที่เรายังได้ไใบเก่าๆมันยังมาไม่หมดมันยับโผล่ขึ้นมาอีกแล้วก็จักต่อกันไปแบบนี้ <c oughs> ถ้าทำแบบนี้ก็รู้สึกไวง่ายแล้วก็เร็วที่เร่องสอนเหมือน ก, นกันก็เพราะอะไรเพราะว่าอันนี้มันตรงที่ผมบอกว่าตรงก็เพราะว่าสิ่งเหล่านี้ก็เคยพบมากับตัวเองแต่ตอนต้นที่เข้าไปเจริญกับหลวงพ่อปานสามวันแรกพวกเราสี่องค์ได้อนาปานุสติกับกรรมฐ า, านที่ทสุด <c oughs> อ, อนานาปาณสติกำถางแนถึงที่สุดแล้วสำหรับผมแต่เพื่อนๆอีสององค์จะไม่พูดถึงเพราะท่านพูดไนเ่เขาเก่งกว่าผมเพราะว่าจะสินหมดสิทธิ์เลย <c oughs> สำหรับผมเองเพ อ, อน า, านาปาณสติเขาถึงที่สุดจิตตกลงมาถึงอุปจาระสมาธิปรายกดตเตโชกสินขึ้น ว่าเตโชกสิงขึ้นแล้วก็จับเทโชกสิงวันแรกก็รู้สึกว่าเป็นนิมิตปกติพอวันที่สองปรากฏว่าเป็นปฏิภาคะนนนิมิตนี่เป็นแค่สามวันแล้วก็สามารถทําเตโชกสิงเข้าถึงฌานสี่เมื่อเตโชกสิงเข้าถึงฌานสีแล้วจิตตั้งอยู่พอสบายจิตนั้นก็ตกลงมาข้างถึงอุปจารสมาธิต้นทีศกสินต่างๆมันก็ขึ้นต่อกันมาหมดไปหมดด้วยการเจ็ดกอง ทั้กง ين, ก, กองเตียงมันใช่เจ็ดอีมันแปดองมันเหลืออีสองกองความจริงมันสมุดพอได้เจอชิน้นหมดแกดกองครับพระผูปานบอกขยับยังห้ามทําต่อไปอสองกล่องเพราะถ้าทำอีสองกองก็ต้องเป็นพระอสิญญาพระอสุญญานี่เขาต้องขับเข้าป่านอยู่ในบ้านในเมืองไม่ได้ก็ไรเพราะว่าถ้าเขินอยู่ในบ้านในเมืองทั้งคนทั้งพระในรองนรกกันเป็นแถว เพราะว่าเขาทำได้แต่ตัวทำไม่ได้ก็เลยหาว่าเขาอดอุสริมนุษธรรมพวกนี้กระงนรกไปนี่เขาต้องเข้าป่าก็เพราะสงสารคนและพระที่อยู่เบื้องหลังนี่พูดกันให้ฟัง <c oughs> ตอนนี้เรามาว่ากันถึงอารมณ์ชานนี่การจะได้ชันเร็วหรือการได้ชันช้านี่ก็ผมขอแนะนำว่าขึ้นอยู่กับอาณาปานุสติกรรมาฐานเป็นสาคัญ เนี่ยพวกคุณต้องจำให้ดีนะถ้าบารรษานี้พวกคุณปฏิบัติแล้วไม่ได้ชานกันเลยทั้งสามเดือนผมก็อยากจะแนะนําให้คุณทั้งหลายเขียนใบสมัครลงนรกไว้ดีไม่ยอมดีมันไม่ได้เลยลงนรกไปมันต้องลงกันแน่และสามเดือนไม่ได้ไเลยเลยเราทาไมชนันที่หมูที่มาผมว่างี้ย ไม่ผมว่าหยิบที่หมา ย, ยากกว่าเหมือนเราธรรมชาติมของง่ายๆถ้าเราไม่ได้ก็สแสดงว่าเราไม่ได้สนใจจริงแล้วบวชทำามหลอกพระพุทธเจ้าเลยมิปานาาัตสสะจิกิริยายะเอตัเอตังกาสาวังรตวัวะพราพุเจ้าขอรับผ้ากาสาวะพัดเพื่อทำให้แจ้งสิงสนิทพ่าน แต่ว่าเราไม่ได้แม้แต่าชานโลกีนี่มันสวยเต็มทีนี่การที่ย้าเข้าถึงชานโลกีเป็นยังไงวันนี้เราว่าพูดถึงชาล็ความจริงตอนกลางคืนแล้วก็พูดกันแต่ผมคิดว่าบวกคุณมันนั่งหลับกับสมุทรมไม่ได้ฟัง <c oughs> ฟังไม่ในตั้งใจวันนี้เรามาพูดกันชาล็อกตัวผสมไม่ชานที่บอกว่ามันไม่ยาก่ะถ้าผมบอกคุณแป๊บเดียวจะคุณสนใจ ไม่เกินสามวันอยู่เสร็จทําไมกินใส่กระเป๋าที่พูดต้งว่าคนไม่สมัครใจลงนรกนะ <c oughs> แต่คนที่เต็มใจจะลงนรกแล้วก็ทําไปแสนชาญก็ไม่ได้าการของบัตโทมิชานมาวัายตอนที่จะพูดแล้วเมื่อคืนนี้ปูดแต่ไม่ใช่เด่นของการเรียนเมื่อคืนเราเป็นอกลมอาการของบัตโทมิชานไม่ง่ายนิดเดียว ที่เราจะสังเกตให้ง่ายที่สุดถ้าเราใช้อนาปานสติกรรมฐ า, านเป็นเครื่องกำหนดรู้ น, น, น, น, นะคือว่าพิจนารณาลมได้สามฐานเวลาให้ใจเข้าลมกระทบจมูกที่มันพูดซ้อนกันมาคืนแล้วก็ให้แล้วก็กระทบหน้าอกกระทบท้องเหนือเสนเลนิดหน่อยมีความรู้สึกอย่าให้ใจให้แรงนะ อย่าไปฝืนลมให้ใจให้แรงมันจะได้รู้ถ้าแบบนั้นไม่มีทางได้เพราะอะไรเพราะว่าเราต้องการสติสมาสัญญาเท่านั้นเวลาให้ใจเข้ากระทบจมูกลมนะแล้วก็กระทบหน้าอกกระทบศูนย์เหนือสเสเอนิดหน่อยเวลาให้ใจออกกระทบศูนย์เหนือสเสเอนิดหน่อยกระทบหน้าอกกระทบดีที่ปาก าหาว่าท่านจับลมได้สามฐานเมื่อไรเมื่อนั้นท่านเข้าถึงปฐมฐานไม่เห็นมันยากของ ก, กลัไม่ใช่กลัวด็กก็กลัวเนา่าเนี่ยแต่ก่อนจริงเรารู้เลยมันไม่ยากไม่มีอาการอีกอย่างหนึที่เราจะเส้นได้ปร้นปฐมไม่านถ้าเราภาวนาอยู่ก็ดีกำหนดรู้หรือไหมก็ดี ได้ยินเสียงภายนอกชักรู้เรื่องหมดทุกอย่างสามารถจะทรงอารมณ์ของเราได้แบบสบายสบายรู้ลมหายใจเข้าออกรู้คำภาวนา ร, ร, ร, รู้รู้การพิจรารณาแบบช น, นิดนี้ว่าคล้ายๆกับเสียงนั้นมันไม่มีในความจริงเราได้ยินทั้งหมดเขาพูดอะไรเราก็รู้เรื่องลองเพลงมาอย่างไรเราก็รู้เรื่องเขาด่ากันมาอย่างไรเราก็รู้ ม้าเห่าหมาหอนแบบไหนเราก็รู้แต่เราไม่ดังคันปฏิบัติงานขางเราได้โดยปกติอย่างนี้เป็นอาการของปฐมบันชาไม่อยา ก, ยากอยากไหมอยากไหมเออผมพูดให้ฟังไม่อยากแ้่แกทำมันยากก็ไม่อยากเขารู้ <c oughs> <c oughs> นี่ตั้งใจไว้นะ เมื่อจําอาการของปฐมฌานได้แล้วพยายามไปตั้งต้นให้เข้าถึงปฐมฌานอย่าให้ถึงกลางปาญานี่นึกว่าจิตใจของพวกเรานี่ยนักจเจริญพระธรรมฐานต้องมีอารมณ์ชนะนิวรณ์อยู่เสมออย่าคบกับศัตรูที่มีความเลวซึ่งเป็นศัตรูขรั้วฐานก็ได้แก่นิวรณ์ห้านิวรณ์ห้าก็ขึ้นหนึ่ง พอใจในรูปสวยเสียงเพราะสิ่งหอมรสอร่อยสัมผัสที่นิ่มนวลอารมณ์ที่ไพศาลสร้างความพอใจในด้านการมารมณ์ไอเรื่องพว น, นี้เราถือว่านี่เราเป็นพระแต่ว่าชาว บ, บ้านดีก็ทำกันไม่กันนี่ชา บ, บ้านเนี่ยเขาได้กันเยอะนะชา บ, บ้านเวลานี้ดีกว่าพระสิ่ เ, เยอะะกพอะไรรู้ไหม หลายคนบางทีก็ทํากันมานานได้พิจุพญาณเนี่ยลูกศิษย์ในกรุงเทพหลายคนเขาเจอหน้าแล้วไม่กี่วันแต่เขาเา้าจิงกันไอ้ที่ได้ไม่เขาเา้าจริงไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าเราดีกว่าเขาเขาดีกว่าเราพวกเรานี่มีเวลาดีกว่าเขาแต่ว่าเราไม่ได้ใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ เวลานี้ผู้หญิงผู้ชายเนี่ยเได้ขึ้จุกใหญ่กันเยอะเขมีหัมีเนี่กันนะบางคนได้มโนวิธิถ้าหลายคนเวลานี้มีเยอะแล้วบางคนสามารถจะได้โปรเฟเนวาสารสุธิยางรือชาติได้คนนีก็เคยพี่สุรก็เคยมาตอบท่านเคยมาถามบอกไม่ถามได้ันรู้แล้วว่าจะได้ ถ้าได้ล้วก็รู้ว่าได้ถ้าโกหกก็รู้ว่าโกหกหัวจริตมันเรื่องอะไรนะแกเป็นนายทหารเป็นทั้งพันโทใช่ไหมถ้าไอ้คกในจิตมันจะมาโกหกไอีไม่ไหวเห็นไหม้พันโทเนรู้ไม่ทันในจิตต้ไแย้มกันมีกัไม่กันเขาได้จริงๆแลยการองแต่ว่าต้อรมัดะวังในการใช้ที่โดยเฉพาะพระธมมชันนะ แน่ลืมอาการของจิตมันจะเป็นยังไงผมขอร้องอย่างหนึ่งว่าจงอย่าสนใจกับภาพอันนี้ระวังให้ดีเมื่อขณะที่เราทรงสมาธิกาหนดรู้ลมให้ใจเขาออกอย่าสนใจกับภาพอะไรเด็ดขาดอะไรจะไปอะไรจะมาก็ช่างเราถือว่าเราทําหน้าที่ของเราโดยจะพาะแต่ว่ามีอีกอย่างหนึ่ง ถ้าวันไหนเรามีอารมณ์ดีที่สุดของใสที่สุดมีอารมณ์ตั้งมั่นที่สุดมีความชุ่มชื่นมากแล้วเวลาที่เราเลิกมีหมายถึงว่าเราเลิกในขณะที่ทํารวมกันก็นดีและว่าท่านไปทํากันเฉพาะในเวลาที่ท่านอยู่กุติก็ดีตามลำพังเมื่อเลิกกันมาแล้วก็อย่าเพิ่งขยับตัวลืมตาขึ้นมา สังเกตว่าวันนี้เรานั่งแบบไหนเอาขาซ้ายทับข่าขาขวาแลือขาขวาทับขาซ้ า, า, า, า, า, ายนั่งทับเพียบหรือนั่งขัดสมาธิจังหวะแค่ไหนจำท่าทางไว้มือวางแบบไหนตัวตั้งอาการไว้แบบไหนอิสตัวนี้สําคัญมากนักปีติปฏิบัติเดินต้นจำลีลานั้นไว้แล้วก็จําอารมณ์ด้วยว่าที่อารมณ์ของเราผ่องใสวันนี้เนี่ย ในขณะที่เราเริ่มทำและขณะทําอยู่อารมณ์เราใช้แบบไหนจับอารมณ์นั้นไว้แล้ว ถ, ถ้าทุกวันท่านนั่งแบบนั้นทรงอารมณ์แบบนั้นมันจะทรงอยู่ตลอดเวลาซึ่งเมืาการทรงเงินข่้นมาวันนี้ดีที่สุดเพราะวันลุ่งขึ้นตั้งใจเลยว่าวันนี้เราจะให้ดีกว่าเมาื่อวานนี้ว่นนั้นเจ๊งใช้อะไรไม่ได้ ทันนี้เพราะว่าเพราะอารมณ์การตั้งใจอยากจะให้มันดีนี่มันเป็นตัณหาแล้ถ้ า, า, า, า, ารเรียกว่ากับดีสายหนึ่งตามนิวรณ์ก็เรียกอุทะจะภูตจักไอตัวอยากตัวฟุ้งมันเข้ามานี่มันเป็นตัวกิเลสเราไปคบกิเลสเข้าอารมณ์จิตมันจะโผสายจะหยุดได้ยังไงไม่ได้ในอารมณ์จิตของเราที่จะหยุดได้จริงๆก็คือเรากําหนดรู้เฉพาะลมให้ใจเข้าออก ท่านจะภาวนาด้วยก็เราจะรู้ภาวนาไปด้วยความ จ, จริงเจรณาปานุสติกรมมฐานท่านจะภาวนาด้วยหรือไม่ภาวนาผมไม่ว่าโดยเฉพาะอนาปานุสติกรมมฐานนี่ท่านไม่รีการภาวนาแต่ที่เราภาวนากันด้วยโดยใช้พุท ธ, ธานุสติกรรมฐานควบกับเพราะว่าเป็นเครื่องโยงใจบางทีเราคิดว่าเราไม่ได้ภาวนามันจะเกิดไม่ได้บุญ เมื่อจิตใจมันผูกพันแบบนั้นเราใช้คำวมาพุทโธควบก็ไม่จะเสียหายดีเรียก ว, ว่าได้สองอย่างพลาดซ้ายก็ไปชนขวาได้ถ้านาปาโนสติกรรมฐานแล้วก็พุทา ธ, ธานุสติกรรมฐานอันนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งอนาปาโนสติกรรมฐานเป็นกรรมฐานที่มีความสําคัญมากสําหรับระงับกายสังขารถ้าร่างกายเพราะเรามีทุกขเวทนา ถ้าเราได้ฌานในอนาปานุสติกรรมฐานเราเข้าฌาน ท, ทันทีอาการปวดอาการเมื่อยอาการ ท, ทรมารยมันจะระงับไปแล้วก็เป็นกรรมฐานที่เข้าฌานได้เร็วมากตอนนี้มีความสำคัญอีกส่วนหนึ่งในการเจริาอนาปานุสติกกรรมฐานนี้ต้องเข้าใจเร <c oughs> ว่าบางวันเราทำได้ดีแต่บางวันคุมอารมณ์ไม่อยู่ วันนี้ดีพรุ่งนี้คุ้มอารมไม่อยู่พราคุ้มอารมไม่อยู่แล้วเราก็พยายามคุมเห็นถ้ามันไม่อยู่จริงๆมันมีวิธีอยู่สงวิธีถ้าไม่อยู่จริงจรเลิกเลยอยากไปคนมันแตนะว่าถ้าเราไม่เลิกก็มีวิธีหนึ่งในอารมณ์ที่เข้าถึงชานเร็วแล้วก็ดีด้วย <c oughs> นั่นคือมันอยากคิดเชิญคิดให้สบาย มันจะเข้าบ้านนี้ออกบ้านไหนเข้าที่ไหนปล่อยมันอยากจะคิดปล่อยมันคิดตามอารมณ์เมื่อคิดแล้วเอาสมาสติคอยก่อนหมดจับเขไว้ปรเดี๋ยวเดียวไม่เกินยี่สิบนาทีผมไม่เคยเห็นมันถือไม่ถึงยี่สิบนาทีมันก็คี้เจียดคิดพอคิดเกียดคิดแล้วก็จับจุดเลยจับลมให้ใจเขาออกอีกคราวนี้แหละคุณดิ่งเป็นฌานแล้วทรงในา น, งนานแสนนาน อันนี้พระพุทธเจ้าทรงกล่าวว่าเหมือนกับคนฝึกมาะยศไอ้มาตัวพย์เนี่ยถ้ามันพยศเข้าจริงๆแล้วก็มันไม่ยอมอยู่ใต้ังคับบัญชาเราเรากำลังสู้มันไม่ได้ทำยังไงมันอยากจะวิ่งก็เชิญกอดคอมันไว้มือถือแสกไว้จะเพิ่งไปตีมัน <c oughs> แล้วกอดคออย่าปล่อยมันวิ่งไปวิ่งไปจนว่าถ้ามันหมดฤทธิ์เลิกวิ่ง ให้เราเลิกมันเลิกวิ่งมาอะไรแสดงว่ามันหมดแรงไม่มีกําลังแล้วกําลังเหลือน้อยทอนี้เราจะจูงเข้าเส้นทางมันก็ไปได้งานข้อนี้ฉันใดอนาปานุสติกมาถ่านก็เหมือนกันถ้าวันไหนมันสร้างเกินไปคุมไม่อยู่เลิอกอย่าไปฝืนหรือว่าถ้าเราไม่เลิกก็ปล่อยให้มันคิดถ้าพอมันคิดแล้วก็ปล่อยปล่อยคิดเป็นนั้นก็สั่ง วันนี้พอมันเลิกคิดเริ่มจับอารมณ์สามจุดคุณลองทำาลยไอตอนนี้ถ้าไม่ถึงสองนาทีมันจะดิ่งบอกไม่ถูกจะทรงเป็นชานได้นานแสนนานบางทีเราอาจจะเผลอไปนูนจีสองตีสามคิดแบบเดียวเดียวนี่เวลามันทรงชานขึ้นมานะเห็นจักรการจเจริกาาญกรรมฐานในด้านสมรมตาภาวนา น, นี้ต้องมีความสลับพอ ถ้าจะลาดไม่พอแล้วก็แ ย, ย่หน่อยนี่ละว่ากันถึงปฐมฌานผ่านไปนะที่ผมมันนั่งยยำๆของเรื่องของคุณท่างหลายว่าในเรื่องของปฐมฌานเะนี่ยหวังว่าพวกคุณคุณจำได้ <c oughs> อุปจารสมาธิถ้าเราทรงได้แล้ ว, ว่เวลาที่เราจะตายถ้าตายในระหว่างเป็นอุปจารสมาธิที่ยังไม่ถึงปฐมฌาน นี่เราเป็นเทวดาเช่นยามาได้แบบสบายนี่หากว่าถ้าเราทรงประสมไม่ชันได้ถ้าไม่บอกว่ามีสงฆ์คุณก็จะงไรทรับเพระผสมไม่ชานเนี่ยเราเกิดได้สามจุดถ้าหากว่าก่อนจะตายเราเข้าฌานตายนี่คุณคงจะแปลกใจทีนะ่ไหไม่คนมันจะตายมันแย่อยู่แล้วมันจะเข้าฌานได้ยังไงนี่คุณยังไม่เคยได้ฌาน หรือว่าได้ชายมาแล้วยังไม่เคยตายมันก็จะรู้สึกลำบากถ้ายังผมไม่ลำบากผมเคยซ้อมตายมาแล้วสามผลแต่ความจริงไม่ได้ซ้อ ม, มนตายเองตายแล้วมันอยากฟื้นสมาพวกเลยเบ่งว่ามันซ้อมตายเลยถูกไหมคุยส่งเนะี่ยเลยแล้วเรียกว่าได้ขี่ม้าไหลขี่แพะมันวิ่งช้าขี่ม้าเร็วกว่านะ <c oughs> นี่เวลาถ้าสมมติเราได้สมาธิส่วนใดส่วนหนึ่งผมจะไม่พูดถึงว่าชายกนได้เอาสมาธิเกิ ก, กะเ ก, กกะตามที่ผุคุณจะได้กันวันนี้ดีพรุ่งนี้ชั่วบางทีเดือนหนึ่งดียสองวันเร็วเปรปะเปปะพ ป, ป็นยีปป่สิแปดวันแต่แล้วเราก็ทำไม่ขาดทุกวันเราต้องทำไม่ได้มากไปไหนเหนื่อยมากับกราภนอนฝ่น จับลมหายใจเขาออกภาวนาว่าพุโทโธตัมโธสังโโตษามัติยาศัยคำว่าภาวนานี้ยผมไม่จํากัดแล้วว่าพิจารณาเหมือนกันก็ไม่จํากัดเพราะว่าไม่มีใครดีใครชั่วกว่ากัน ต, ตอนที่พิจารณาหรือภาวนาดีหรือไม่ดีมันอยู่ที่จิตสมาธิถ้าเราพอใจตรงไหนใช่ตรงนั้นอย่าปืนใจมันนี่เราพูดกันอย่างนักที่ปฏิบัติได้ผลนะ ถ้าปฏิบัติขวดจันแล้วเขาจะบอกนี่โค้ชฉันภาวนาวะพุธโธนะ่ะนี่ไม่ใช่โค้ชฉันนี้อรหังมิวฉันสัมมาอรหังมิวฉันนี่มัมมะพะทะของแกสูงฉันไม่ได้ฉันสูงของแกไม่ได้ลงนรกไปเลยทำไมมันไปแบกออกมาณทิฏฐิกิเลสขึ้นมาท่วมหัวแล้วมันจะไปไหนกันก็ไปคุยเรื่องภาวนาของใครดีไม่ดีเนี่ยเขาไม่ได้เอากระตรงนั้นถ้าเอาก็ะตรงจิตดี ถ้ายังมีความรู้สึกว่าของฉันดีก็่าแกของแกดีของฉันนะไม่ต้องแล้วบัญชีสวรรค์เขไม่เปิดให้หรอกมีแต่บัญชีนรกเมื่อไรไอ้ตัวนั้นมันตัวมานะกิเลตในตุรยัมคุยว่าฉันดีกับเธอเธอเลวกับฉันแล้วมันจะไปไหนไม่ได้เขาต้องไปอยู่กับพญายมแต่พญายมแกก็ไม่อยู่บ้านแกให้เลย่อนลงนรกไป แ่ดงไครเขาว่าเขาวาวนาว่ายัางไงพิจรารณาว่ายัางไงช่างมันอยู่ที่ใจเราต้องการผลตรงใจตอนนี้ถ้าหาว่าเราใช้ธรรมวนาและพิจรารณาในด้านแต่กรรมฐานจะเป็นศูนย์ใดจุดในก็าตามได้บ้างไม่ได้บ้างแต่พอเริ่มป่วยใหม่ๆคุณอย่าลืมนะความตายคิดไว้เสมอว่าเราจะตายทุกลมหายใจเข้าและหายใจออก นี่ผมไม่ได้บอกให้คุณคิดถึงความตายวันเราสิครั้งยี่สิบครั้งนะให้คิดถึงความตายทุกลมให้ใจเข้าให้ใจออกนี่เรานั่งเรียนพระกรรมฐานก็อยู่เวลานี้เรียนด้านที่สุดดีนี่เราจะนั่งไปถึงแต่หลอดเวลาที่ก็สอนจบวันนี้หรือไม่จบก็ไม่ไงไมันอาจจะตายคนใดหรือวันนี้เราเรียนแล้วพรุ่งนี้เราอาจจะไม่ได้ยนินคนใด เราริงข้าวเช้าแล้วอาจจะไม่ได้จริงข้าวเพลงิงคนได้ิงข้าวเพลงนแล้วอาจจะไม่เห็นพระอาทิตย์ตกเวลาเย็นคนได้เพราะความตายมันเป็นปกติของขันห้า <c oughs> แล้ ว, วความตายไม่มีนิมิตเครื่องหมายนี่เราควรจะคิดว่าเราตายทุกวันและทุกขณะจิตที่เรารู้เรานั่งอยู่แบบนี้เราก็ควรจะคิดว่าคนที่ก็นั่งเอียแบบนี้ฟังคาสอนแบบที่างเรากขาตายไปนับไม่นแล้ว แล้อ <c oughs> วคนที่สอนพวกคุณอย่างผมเนี่ยตายไปนับไม่ถ้วนเหมือนกันนีง่ไงพระพุทธเจ้าตายเปล่ายัางว่าไห้ผมจะอยู่แค่ไหนนี่เรว่าความตายเป็นของธรรมดาตอนนี้เราคิดถึงความตายไว้เป็นอารมณ์นี่เวลาปกติบางทีมันก็ลืมบ้างเป็นของธรรมดาเพราะเรายังไม่ใช่พระอารหันต ตอนนี้พ่อเริ่มป่วยใหม่ๆคุณคิดเลยแกปวดหัวนิดหนึ่งเมื่อยตัวนิดหนึ่งคิดว่าอาการอย่างนี้อาจจะสร้างความตายให้เขาเจอเราก็หนึคิดไม่เลยาการป่วยนิดหนึ่งถ้ามันเข้ามาต้องคิดเลยเอาพี่นี้อาจจะตายแล้วก็ตั้งท่าไปเลยว่าถ้าตายแค่นี้เราจะไปไหนตั้งมันไวเลยเราจะไปสวรรค์ เราจะไปพรมันโลกหรือว่าเราจะไปนิพพานตั้งจุดมันเอาไว้ถ้าตั้งใจไป น, นิพพานไปงา่ายเพราะอะไรคิดว่าร่างกายไม่เมียของเราไม่เมียนี่เวลานี้ถ้าร่างกายเราตายแล้วในโลกทั้งหมดอะไรมันจะมีหรือพวกเรา <c oughs> มันไม่มี แต่ร่างกายของเรานี่มันจะยังพังเราห้ามมันพังไม่ได้แล้วก็พ่อแม่พี่น้องทรัพย์สินทั้งหลายมันจะมีอะไรสิของเราไม่มีถือตัวไม่มีสักตัวเดียวได้ความตื่นใจนนนปนไปนพ่ไปแง่ง่ายง่ายนิเ ด, ดเดียวมิควรจะดีแตยากมากนะถกไหมถ้ก่อนจริงง่ายจริงจริงไม่ยากตอนนี้เอาละเราไม่คิดยังไงก็กด้ ถ้าเราคิดจะไปนิพพานมันก็ไปนะถ้าเราคิดจะไปสวรรค์มันก็ไปถ้าเราคิดจะไปพรมมันก็ไปเราคิดอยากจะลงนรกมันก็ไปวันเจตนาหังวิกเวกัมมังามาตฐานิพระพุทธเจ้ากล่าวว่าไอ้ตัวการตั้งใจเนี่แหลมันตัวกรรมนี้พอเราป่วยหน่อยเราคิดว่ายาจะตายไอ้ท่าไม่ดีแล้วแฮะ มันป่วยนิดเดียวมันจะป่วยมากบางคนก็ป่วยไม่มากป่วยน้อยกว่าเราเขก็ตายได้เราก็รวบรวมเอาอารมณ์สมาธิขอเราได้เข้าที่มันเึงจะได้ตั้งใจว่ากบัจับลมหายใจเขาออกกาวนนาพุโทธโทธตมโมสังโขหรือว่าพิจารณากรรมฐานกองใดกองหนึ่งกองดตามที่เราชอบตามที่เราถนัดอันนี้เ่าว่าอาการร่างกายของคนมันเครียดลงนะ บอยมากขึ้นเพอมากขึ้นระยะกลางเท่านี้คุณจะรู้สิบตัว <c oughs> ไม่ถึงว่แบบนะจะรู้สิบตัวเลยทีเดียวว่ากำลังสมาธิที่เราได้ไว้บ้างไม่ได้บ้างอิเล็กทิพะเนี่นี่มันมาอย่างไงกันเนี่ยมันเยอะแยะโอโหกำลังตั้งมั่นบอกไม่ถูกนี่ว่ากันนั้นสมาธินะ ถ้าเป็นฝ่ายวิปัสสนาญาณเรอิเปะปะเปะเอาเรื่องไม่ได้เนี่ยวเห็นไหนั่นสวยบ้างมีม่สวยบ้างเห็นมันดีบ้างเห็นมันเลวบ้างมันหลอกตัวเองอยู่เสมอแต่พอลาป่ยมาดิพอเรารวบรวมใจไวเองคนนี้ไม่เปือนากตายถ้าเราเกิดมาใหม่นี่มันก็เป็นแบบนี้กินแล้วก็กินแล้วก็กินอีกกินอีกก็กินแล้วกินอย่างนั้นแหละเลไม่อ กินแล้วก็ขี่ขี่แล้วกิกนมีหนาวมีร้อ น, ม, นมีปวดมีเมื่อยมีกระทบอารมณ์ที่ไม่ชอบใจแล้วมีความตายไปด้สุดไม่เป็นเรื่องแต่คืนเกิดอยู่แบบนี้ไม่ดีความไม่เอาไม่เกิดมันดีกว่านึกมันเลยตายก็ตายเจ้อยหญจะตายก็ตายตายทีเดียวเทีนฉันไม่ตายกว่าใอีกฉันไม่เอาแล้วไอ้ร่างกายสับหลับที่มีความเลวมีอากรตรอยูไม่รู้คุณคน เพราะอะไรร่างกายเนี่ยเรารักมากกว่าสิ่งองื่นเราปลนเติมมัมากกว่าสิ่งอื่นแต่มันไม่เคยตามใจเราไม่เอาเลิกคบทำใจจิตเพียงเท่าเนี้ยคุณอารมณ์จิตมันจะรวมจะมีความอารมณ์ปลนถ้าถ้าจิตคุณไม่ทิ้งอารมณ์เนี้ยคุณไปนิพพานแทนเธอเขไม่ได้ยากน hmm? มันจะรวมหนักจริงๆนะเวลาป่วย เวลานี้เราไม่เห็นถ้าเวลาป่วยมันจะเห็นหลายคนมาแล้วเพงเคยแนะนำก็มีหลายคนบอกว่าป่วยแล้วความจริงไม่อยากหายกลับมาบ้านกลับมาว่ามีกำลังใจมาสู้กำลังป่วยไม่ได้มีอารมณ์โปรง่งเป็นพิเศษนี้ว่าทั้งฝ่ายยิบสัญนายางสำหรับสมถะจิตทรงชันแนบแน่นมีอาการทรงตัวจริงๆบอกว่าถูกมันไม่ขยายตัวเลย ในตรงกันข้ามกับเราอยู่ทํายๆ ม, มันไม่เคยจะเอาทา น, นเห็นไหมพระพุทธเจ้าท่านบอกแล้วเนี่ยถ้าเราทําไม่ถ้าว่าเราสามารถจะทรงจิตเป็นสมาธิและจิตปลอดจากกิเลสวันหนึ่งชั่วขณะจิตเดียวเรากล่าวว่าบุคคลนั้นเป็นผู้ไม่ว่างจากชั่งว <c oughs> ันี้เราจะเห็นผลไม่ีตอนที่เราจะตายที่ผมกล้าพูดกับคุณนะเพราะผมเคยตายมาแล้วผมกล้ายันไง ใครไม่เชื่อก็ลองตายบ้างลองตายแล้วฟึ้ก็สั่งไม่ฟื้นประจังมันตัวอย่างง่ายๆอย่างท่านโคดิกะนะท่านโคดิกะเนี่ยท่านบวชอยู่กับพระพุทธเจ้าโดยเฉพาะ <c oughs> แล้วท่านก็ได้แต่เพียงแค่ชันโลกีแล้วท่านก็เริ่มป่วยหนักร่างกายป่วยขึ้นบวมเปริ นี่เพื่อนนั้นหลายที่บทพร้อมกันท่านเป็นพระรหันหมดท่านโคีิกะถ้าก็เลยได้แค่กะกะอยู่แค่นั้นหื hmm? กะยังไงกะอยู่แค่ชานโล ก, กีมันไปไหนไม่ได้เพระป่วยมาวันหนึ่งท่านก็คิดในใจว่าไอ้นี่เราบทอยู่ในสำนักขระองค์สมเด็จตสมมาสมพทธเจ้าไอ้ร่างกายนี่มันเป็นมารหนักถ้าเราไม่ป่วยอย่างนี้อาจจะเป็นบรโศนาสิกิทาคานาค า, าราหัน ตอนนี้จะมาร้ายมันมาขัดใจเรานี่ยในเมื่อร่างกายมันเป็นมารเป็นเครื่องฆ่าทำลายความดีจะเอาไว้ทําไมเลิกพบไอ้ตัวจังไรานี่เลิกกันจัด ก, การไว้จัด ก, การกับมันเถอะพระญาติยิบิกโกนมาจะเชิดคอเ <c oughs> พราะยิบิ ก, กนมาจะเชิดคอท่านพระโมคคัลลาปัสสารีบุตรท่านอนุรุธท่านอนุนพระสํ า, นน า, นนาสคัญแล้วสิโย รู้ว่าท่านโคดิกาจะเที่ยงคอตอายก็มาห้ามแต่านโคดิกาท่านบอกไม่เอาพญานอามาห้ามผมทําไมนี่ผมบวชอยู่ในสำนักของพระพุทธเจ้านะได้อยู่กับพระพุทธเจ้าเพื่อนเขาไปละหันไปหมดไอ้ผมอยู่ติดเงียอยู่แค่ชาลโลกียที่ทําดีไปกว่านี้ไม่ได้กับพระไอ้ร่างกายมันเป็นมันมันเป็นเครื่องประทุด้ายป้องกันความดีทําลายความดีของผม ผมจะจัดการกับมันด้วยในเมื่อมันไม่เป็นนิ้กับผมเป็นศัตรูกับผมผมก็จะฆ่ามันละผมจะไม่เอาหมือนไว้ขึ้นชื่อวาร่างกายประกอบวิธีขันห้านับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเลิกคบกันอารมณ์อย่างนี้มันเป็นอารมณ์พระราหานิพพาเห่นไหมถ้าว่านันท์โคดิกาถ้าไม่รู้จัดการกไอเนี่ยไม่เอาเลิก ไม่ใช่เลิกในชาตินี้ชาติเดียวยที่ว่าชาติหน้าเกิดใหม่เอาร่างกายดีกว่านี้ถ้ามันเด็กคิดอย่างนั้นเขาบอกไม่เอามันเลยทั้งที่ว่าร่างกายแบบนี้ไม่เอามันอีกแล้วเวลานี้เราพบพระพุทธเจ้าแล้วเมื่อไรจะได้พบอีก <c oughs> การเกิดในสมัยหน้าจะมีโอกาสพบกับพระพุทธเจ้าหรือเปล่าไม่รู้เป็นอันมันเลิกคบกันในสัตว์ดูไรพระสีส่องค์ห้ามเท่าไรก็ไม่ฟัง เมื่อท่านทั้งสีห้าไม่ฟังท่านทั้งสีก็ไปเฝ้าพระพุทธเจ้าไปบอกให้พระพุทธเจ้ามาห้ามให้ความจริงคนจะไปนิพพานนะถ้าว่าท่านทั้งสี่องค์ท่านไปเฝ้าพระพุทธเจ้าเพียงองค์เดียวหรือว่าไปสามองค์อยู่สักองค์ใโคิกะก็เชื่อคอไม่ได้ <c oughs> นี้มีพระอระหันต์ตั้งสามองค์มีพระโสดาบันองค์ ถ้าบูดพูดตามแบบภาษาชาว บ, บ้านบอกไม่น่าจะงโง่เลยห็น ไ, ไหมคนลุกไม่ขึ้นแล้วนั่งเฝ้าอยู่คนเดียวก็จะเชื่อค อ, ยอยได้ยังไงนี่ย่องไปเฝ้าพระพุทธเจ้าหมดสามองค์ด้วยกันเก่งมากพอถึงพระพุทธเจ้าก็กราบทูลขอพระพุทธเจ้าห้ามท่านโคติกะพระพุทธเจ้าก็บอกว่ากิจในการห้ามโคติกะไม่มี พันทั้งสก็ถา ม, มาว่าทำไมเพราะเธอหันหลังให้หลังมาในคดิกะเชื่อคอตายแล้ว <c oughs> เอาเลยพันถามว่ารู้ไหมเมื่อคดิกะจะฆ่าตัวตายพระพุทธเจ้ากวารู้พันถานนมว่าทาไมไม่ห้า ม, ม, ามาก็เลยตว่าฉันสอนให้คนไปนิพพานในเมื่อคติกะเขาจะไปนิพพานฉันจะไปห้ามเขาทำไมเอาไปก่ อ, อนแะล้วเวลาเห็นไหม การตัดชิ้นใจว่าร่างกายนี้ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราร่างกายเป็นสัตวสูตรเราไม่ต้องกายมันอีกนี่เวลาจะตาย <c oughs> ตัดชิ้นใจเป็นเท่านี้ได้จิตตั้งใจจริงเขาก็ไปพระนิพพานได้ผมไม่เห็นยากอะไรยากไหมที่จะดีไม่ยากเลยถ้าตัดชิ้นใจได้เนะนี่มันไม่ยากไม่ยากจริงๆวันนี้เรามาว่ากันถึงอารมณ์ชานที่หนึ่งผ่านไปที่เวลาเหลือเล็กน้อย นี่ผมก็ขอจะขอพูดชานสองไอ้ชันที่หนึ่งเนี่ยผมพูดมากเพราะว่าต้องการให้พวกคุณเข้าถึงแล้วก็คุณก็จงจำไปด้วยว่าบางทีพวกคุณเข้าถึงชานที่หนึ่งแล้วอาจจะไม่ผ่านชานที่สองที่สามหรือว่าอาจจะผ่านอย่างชนิดไม่รู้ตัวเข้าถึงชานที่สี่เลยก็ได้บางไรายไม่รู้ว่าชานที่หนึ่งที่สองที่สามม า, มาอะไรไปชนในชันที่สเฉย ออันนี้คุณจะต้องเขพอใจไว้เลยนะว่าการทรงชันได้ชันนีแยถือว่าเป็นไปตามระดับไม่แน่นักทุนแลแต่กําลังใจท่านโลกีง่ายๆไม่ไไมยาก <c oughs> ชันโลกีเป็นสิทธิของคนที่เกิดมาในโลกทุกคนจะต้องได้ชันโลกีถ้าใครบอกว่าไม่มีวาสนาบารมีได้ชันโลกีแต่คนนั้นมีหวังโลกนรก ถ้าะประมาทในชีวิตเกินไปขอให้ตัวคนจะได้แต่ไม่ได้จะไปนั่งอยู่บนสวรรค์ น, นั่นมันเ ก, กกายสบายทำไมไงนะถ้าไม่มีโอกาสจะศึกษาไม่มีทางศึกษาอีกอย่างหนึ่งถ้มีทางศึกษาแล้วทําไม่ได้ดวงนรกที่สบายกว่านี้มาชันที่สองชนที่สองทนบอกว่าตับลิตกวิการพึ่งไปผมพูดแบบนี้เพราะคุณไมารู้เรื่อง นี่คําว่ามีตกวิจารไปไงก็ช่างมืนแต่ว่าหากเราตรงฌานที่หนึ่งถ้าเราใช้คำภาวนาด้วยนี่เมื่อภาวนาไปภาวนาไปอารมณ์สบายสามารถจะทรงอารมณ์ได้ได้เสียงเข้ามาเราก็ไม่ดําคาญตรงสมุดฐานของลมได้ทั้งสามฐานเราเป็นปฐมฌานวันนี้ภาวนาบทใดบทหนึ่งก็ตามภาวนาไปภาวนาไปไม่หยุดภาวนาเฉย แต่ว่ารมใจสบายเยือกเย็นดีกว่ามีความอิ่มใจดีกว่าชั้นที่หนึ่งแต่ว่าเดี๋ยวเดียวจิตมันตกมาถึงชั้นที่หนึ่งมีความรู้สึกโสออกาตายจริงนี่เราลืมภาวนาไปแล้วเนี่ยถ้าว่าเราหลับไปอันหลับมันก็ต้องงกนี่มันไม่งกเราไม่หลับใช่ไหมแต่ว่าเราลืมภาวนานี่ขาสติสมัจฉญาใช้เราเลย ควาจับต้นชนปลายไม่ถูกจับคำภาวนาแค่พุโทโธตรงนี้ยชนไม่ติดล่อคลุกคลับคกคลับตัวเดียวไม่ <c oughs> จับต้นได้แต่ความจริงอาการเช่นนั้นมันเป็นอาการของฌานที่สองรู้อาการไวดีนะเป็นอาการของฌานที่สองฌานที่หนึ่งเมื่อกี้ลืมบอกไปว่าเกิดไม่ได้จุดฌานจุดคือพรมท่านที่หนึ่งที่สอ ง, ท, สองที่สาม ชาญที่หนึ่งบางอย่างหยาบเราตายระหว่างทรงชาญเป็นโทมชั้นที่หนึ่งอย่างกลางตายระหว่างทรงชานเป็นโทมชัาญที่สองอย่างละเอียดตายระหว่างทรงชาญเป็นโทมชั้นที่สามสาหัสว่าเราได้ชาญที่หนึ่งและที่สี่ก็ตามที่หนึ่งที่สองที่สามเนี่ยสามชาญเนี่ยถ้าหาว่าเราได้ชาญสามชาญนี้แต่ว่าเวลาตายไม่ได้เข้าชาญตายเป็นเทวดาชั้นจาตุมหราช แล้วก็ไปบำเพ็ญฌานครบทุนมาครบกำหนดแล้วก็ไปผึิดสมสร้างกำลังฌานมันก็ไม่ยากตอนนี้มาถึงระดับฌานที่สองคุณก็ควรเข้าใจแารมณ์เดิมแต่ว่าภาวนาไปภาวนาไปลงให้จะสมเวาะว่าทำภาวนาหายไปใจสบายชุ่มชื่นเอบอิ่มมีการทรงตัวได้ดีต่อฌานที่หนึ่งนี่เป็นากายของฌานที่สองอนี้มาถึงฌานที่สาม ไม่ภาวนาเหมือนกันมาถึงชานที่สองเนี่ยถ้าคุณจะสังเกตลมหายใจมันจะเบาลงไปก่อจชนที่หงพอถึงชา้นที่สามเนี่ยลมหายใจเบา ม, มากเกือบจะไม่รู้สึกแต่ว่าอาการชุ่มชื่นจิตหายไปมีอาการเครียดคล้ายๆกับใครเขามัดตัวแน่นๆนืละหลักปักแน่นๆเหมือนเหมือนกับการเกรงตัวแต่ความจริงมันไม่ได้เกรง โอ้ได้ยินเสียงภายนอกแววๆการทรงสมาธิเด็ดเดียวมันดีจริงๆบอกไว้ผูก <c oughs> ให้ทางสามตัวนี้คุณแต่คุณเลผลอแผลบเดียวละสี่ชั่วโมงมาได้ไม่รู้มันนึกว่าเดี่ยวเดียวมันคิดว่าเดี่ย ว, นะดวเดียวนะมันจะกวสบายคิดว่าเดี่ยวเดี่ยวทางตัวสาม้วมันตึงนั่งไม่มีกระยับตัว มันค่ายใครเขามัดไปกับเส้านั่นๆนีอาการเหมือนยังไนจะนั่งจะนอนก็เหมือนกันหอได้ยินเสียงไฟนอกแววนิดเดียวจิตมันตั้งมั่นบอกว่าถูกแบบนี้คนหลงกันเยอะหลงกันมากคิดว่าเป็นพระอรหันต์ไปแล้วในความรู้สึกในระหว่างราคะะโลพระโทสะโมหะมันไม่ปรากฏนันเป็นเพียงระงับนี่แวดการที่สามอาจารยายสามนะ นี่ถ้ า, ากายงุ้นชานสีเราจะเสืเ่เสียได้ง่ายเพราะว่าร่างกายลมหายใจไม่ปรากฏไม่รู้ว่าหายใจจิตใจไม่เฉลับมันลงมีความรู้สึกสมบูรณ์แบบเหมือนกับไอ้คำเรียกใหม่ๆเจะว่าข้างในเป็นแสงสว่างก็ไม่ใช่มันมีความรู้สึกสมบูรณ์จริงแต่ว่ามันตัดความรู้สึกภายนนอกหมดเพราะกายกับจิตมันแยกกัน เนี่ยขานสามเนี่ยกายกับกายกับจิตมันแยกกันเด็ดขาดเลยขานที่หนึ่งมันเริ่มแยกน้อยๆเมื่อถึงขานที่สี่เนี่ยมันแยกกันเด็ดขาดเมื่อถึงขานที่สามแยกยังไงพอถึงขานที่สี่ไม่รู้ลมให้ใกายท้อหูไม่ได้ยินเสียงแม้แต่เครื่องขยายเสียงดังหนักแสนหนักขนาดไหนตั้งไงไกลก็ไม่ได้ยินอาพวกมาจุดก็ไม่ได้ยินยุงกินลิงกัดก็ไม่รู้เรื่อง แต่ถ้ว่าความรู้สึกสมบูรณ์ทุกอย่างพวายชานที่สี่เนี่ยมันมีเอกขตารมตัวรักษาอารมณ์เป็นอารมณ์เดียวกับอุเบกขาลงตัววางเฉยเคยจิตมันไม่ยอมเข้าไปรับรู้เรื่องของประสาทชานที่สี่เนี่ยเป็นชานที่มีความสาคัญเป็นพิเศษความจริงถ้าพูดกันเรื่องชาญโลกีมันก็จบเพียแค่ชานสี่ ในเ่ครับว่าเราได้ชันที่สองถ้าตายในระหว่างชันที่สองหยาบเราก็เป็นผพชั้นที่สีตายในระหว่างชันที่สองและอย่างกลางก็เป็นผพชั้นที่ห้าตามระหว่างชันที่ที่สองอย่างละเอียดก็เป็นผพชั้นที่หกถ้าเราตายไปในระหว่างชันสามหยาบเป็นภพชั้นที่เจ็ดถ้าชันสามอย่างกลางเป็นภพชันที่แปดถ้าชันสามละเอียดเป็นผพชันที่เก้า ถ้าชาติสี่มาสองมีสองระดับคืออย่างหยาบเป็อย่างละเอียดถ้าตายในชาตนี้สี่อย่างหยาบเป็นพรหมชั้นิดสิบตายในชาตนี้สี่อย่างละเอียดเป็นพรหมชนิดสิบเอ็ดสำหรับพรหมชั้นิดสองถึงพรหมชั้นทิดหกเป็นเป็นของพระอนาคามีที่ได้ชานิสี่แล้วก็ท่านตายในระหว่างชาติสี่ อันนี้สมมุติว่าทานที่หนึ่งที่สองที่สามเนี่ยเราได้ทานแล้วเวลาเราตายไม่ได้เข้าฌานตายตายแล้วเราก็เป็นเทวดาชั้นชาตูมหาราชมาครบกําหนดก็ไปเป็นสมเพราะในระหว่างนั้นเราก็จะเริชญชฌานกันอีกอันนี้ถ้าได้ฌานที่สี่ฌานที่สี่ธรรมดาถ้าตายไม่ได้เข้าฌานสี่เป็นเทวดาชั้นประมิตวัสวัตติ ถ้าได้ฌานที่สี่ด้วยแล้วก็ได้ทิญญาสมาบัติด้วยคอบนิรมิตรอะไรต่ออะไรเล่นๆแล้แวพอเวลาตายไม่ได้เท่าฌานตายเป็นเทวดาชั้นนิมมานรดีไปนั่งนิรมิตเห็เขาอีกแต่ว่าต่อไปที่นั่นดังว่าท่านก็ไปทรงฌางขี่ไปฝึกฌานกันใหม่พราะได้ฌานแล้วก็ไปฝึกสมนิว่ากันแค่กายของชานเนี่ย <c oughs> ความจริงเรื่องฌานสมาบัติมันไม่เห็นยากโอ้ยากมนะั้ยนไม่ยากฟังก็ไม่ยากให้คนพูดก็ไม่ยากให้ทำก็ไม่ยากแต่ไอ้ได้มันยากเพราะจิตมันไม่รักใช่ไหมจิตมันยากเป็นหมาเนะี่ยมัอยากในฌานะ เป็นหมายอย่างดีดีเป็นสัตว์นรกเนี่ยเพราะอะไรเพราะจิตมันคบอารมณ์ชั่วมานานตอนนี้เราก็ต้องใช้ตกำลังจิตของเราให้มีประโยชน์มาฟังกันจริงๆแล้วผมไม่เห็นมันยากตรงไหนหี่ว่าวิธีที่เราจะปฏิบัติได้ผมเคยพูดบ่อยๆว่าผมเรียนกับหลวงพ่อปานนี่ะหลวงพ่อปานท่านบอกให้ปฏิบัติกับท่านแบบโง่โง ไม่ใช่ปฏิบัติแบบสลดัดเห็นไ้ยปฏิบัติแบบโง่ๆแบบไหนแบบแรกฉันบอกให้รักษาลมให้ใจเข้าออกกับใช้ธรรมวนาว่าพุทโธให้ใจเข้านึ ก, กว่าพุทให้ใจออกนึ ก, กว่าโธแล้วก็กำหนดลู่ลมทั้งสามขานันให้ใจเข้ากระทบจมูกกระทบหน้าอกกระทบเสนศูนย์เหนือเสนอนิดหน่อย <c oughs> แล้วก็หายใจออกกระทบสูนกระทบหน้าอกกระทบเินที่ปากให้สนใจเพียงแค่นี้เนี่ยถ้าเราสนใจกันจริงๆเพียงแค่นี้ถ้ามันถึงเจ็ดวันก็สวยเต็มเพียถึงมาถึงไม่ทันที่เราไม่ได้กันเพราะอะไรอดเร็วไม่ใช่อดดีอดดีเนี่ผนชอบเนะี่ยเท่าไหร่หวนั้น คนอดดีนี่ชอบจริงๆคอยอดดีไอ้ออดเร็วเนี่ยมันสวยเต็มที่ใช่ไหมไอ้ดีไม่เอาเอาเร็วมาอดนี่เราบวชกันมากี่วัน <c oughs> เราเจะเรียนกันมาถายกันมาเท่าไหร่นับวันนับเวลาลหลวงไก่ชานปัติไม่ชันแค่ตูดหมาแค่นี้ไม่ได้เลยไปทำอะไรจริงกัน <c oughs> ทำอะไรกัน แค่พอไม่ชานเนี่ยเราพยายามรักษารมหัดฝุดเวลาไว้ถ้าบางเอื่นมันได้เราจะได้ทรงเวลาไปได้พยายามหัดนับลมให้ใจเขาออกนับหนึ่งถึงสิบนับเป็นโถในระหว่างหนึ่งถึงสิบเนี่ยจะไม่ยอมใหอารมณ์อื่นเข้ามาแทรกเลยเพราะนหนึ่งถึงสิบถ้าไม่มีอารมณ์อื่นเข้ามาแทรกแล้วก็ตั้งต้นใหม่เอาให้ได้นหนึ่งถึงสิบี ให้แค่นิดหนึ่งถึงห้าทนไม่ไหวเราก็เลิกไปเราถือว่าหนึ่งถึงสิบต้นเป็นต้นทุนที่หนึ่งถึงห้านี่กําไรพอแล้วมันแล้ไม่ต้องทำมากแล้วพอใจสบายแล้วก็ไปนั่งนับใหม่นับลมหายใจเข้าออกแล้วนั่งภาวนาใหม่เอาแค่สบายพอจิตสบายพให้ใจภาวนาเข้าพอหายใจเข้าให้ใจออกภาวนาว่าพุทโธตามหรือไม่ก็ตาม เราคิดว่าจะเอาสติรอบเอาสิบหรือยี่สิบจะให้มากมากนะเอาแค่สิบก็ยงมากเอาสิบมันยังสบายต่ออีกสิบมันยังสบายต่ออีกสิบพักไม่สบายพอไม่สบายคุณไม่ได้เลนื่อยเลยอย่าทําต่อไปอันนี้มันอยากไปดูหนังสืออยากไปเที่ยวเดินเล่นแล้วก็ตามพวกมันสั่งนะพอมันเริ่มสบายใหม่เอามาตั้งต้นกันใหม่ แล้วก็เวลาทำจริงๆก็ไม่ต้องไปนั่งขาดสมาธินั่งแบบสบายจะนั่งเก้าอี้จะนอนที่ราบจะนั่งห้อยขาเอาหัวลงเอาขาขึ้นแล้วก็ตามใจ<น>ทำให้ใจมาสบาย่ยาลืมว่าเราฝึกใจไม่ได้ฝึกกายไอ้ไปโมาจะจะระเบียบกายในชาตินี้ท่านชาติไม่มีทางเลยดีกายเนี่ยใมชาติมันก็พังแล้วต้องการฝึกใจให้มันบริสุทธิ์ทำไมทงตัว ถ้าคุณทำเพียงแค่นี้ก็จุงก็จิงก็จุงกระจิงะจ๋งแล้วคุณลองอเดือนนี้ทั้งเดือนเนี่ย น, นับไปเนี่เดือนเดืก้าเข้ามาสี่วันนี่ไม่ทันจะจบเดือนเก้าแล้วผมไม่ชารอยู่ในกระเป๋าสบ า, สบายแต่ผมไม่รับรองนะดีไม่ดีคุณไปร่อชาร์จที่สี่เท่าด้วยผมไม่รู้ด้วยนะเนี่ยทําแบบโง่ๆจะทําแบบฉลาดใจคนฉลับมากแค่ไหนลงนะลงรกผูะไร เพรอะไรมันไม่ได้เปไ็นแม่ที่หมานี่เรียว่าอะไรฌานเลยมีอะไรมีแต่อารมณ์ฟุ้งซ่านจิตจุ่มจันหาอะไรดีไม่ได้ในเวลาทําจริงๆคุณอย่าไปตั้งเวลาหนึ่งชั่วโมงสอชั่วโมงสชั่วโมงอันนี้ผมไม่เอาผมไม่ชอบให้การตั้งเวลาแบบนั้นมันเป็นเรื่องของท่านที่ทรงฌานแล้วเข้าถึงฌานแล้วก็ทรงฌานได้แล้ว แล้วเขาตั้งเวลาไว้โดยเฉพาะถ้าถึงเวลาเท่านั้นปั๊บฌานมันจะตกทันทีเข้าอีกไม่ได้เวลาจะเข้าพอนึกปั๊บฌานมันก็เข้าทันทีอย่างนี้เป็นเรื่องของผู้นั้นเรานักฝึกไปตั้งเวลาหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงถ้ายังไม่ถึงเวลาเลิกมันจะสิ้นสัจจะจะเสียสัจจะไอ้สัจจะขาทุนนะคุณจะตั้งมันทำไม <c oughs> เราทแกัแค่ดีเอาตามแบบฉบับของพระพุทธเจา้า การที่ตั้งสัจจะ ก, กำหนดเวลาไว้มากถ้าว่าจิตใจผู้ชาตินั่นเป็นอุดอ่าเป็นอะไรอัตจิตธรรมฐานนิยมเป็นการทรมานตัวเป็นส่วนสุดที่จะเข้าไ ม, ามา่ถึงมรรคผลแต่ว่าเวลาที่เรากำลังภาวนาและปฏิบัติอยู่จิตอยากจะได้ถึงนั่งอยากจะได้ถึงนี่นี่เป็นการมาสุขคณิการนยิยมเป็นส่วนสุดที่เราจะไม่ได้อะไรอีกไออารมณ์สองอย่างนะี่อยากเข้าไปยุ่ง เราทําแค่สบายตั้งใจไว้โดยเฉพาะว่าเราฝึกจิตไม่ไดฝึกกายกายมันอยากเดินเชิญมันเดินมันอยากยืนก็มันยืนมันอยากนอนก็มันนอนมันอยากนั่งก็มันนั่งมันจะนั่งทางไหนตามใจมันเราทําใจให้เราให้สบายเท่านี้พอเราสําหรับการพูดเดินชานวันนี้ก็จบชานสี่นะพรุ่งออกพรงนี้วันพุธใช่ไหมวันพุธเราหยุด มันพุ่นี้หกค่าใช่ไหมแล้วเจ็ดค่ำก็หยุดแปดค่าก็หยุด <5, 5 S 1> วันนี้ห้าเลยวันนี้ห้าค่าวันพุธต้องหยุดเพราะว่าผมไปสถาณิวิทยุมาเดือนนี้หกค่ายังเรียนต่อนะวันอะไรวะพระพุทธการเรียนต่อทีอ่ น, นี้มาวันวันวันศุกรป็วันโกนใช่ไหม ตอนนี้ถ้าวันเสาร์ถ้าหาว่าไม่มีใครเข้ามาเรียนมาหาสิบฐานล้วก็หยุดกันนะถ้ามีใครเข้ามาเรียนถ้าใครจะฟังก็ามาฟังกเครื่องพวกมีเครื่องมาทึกกัคนมันังทึกไว้นะอ่ะวันนี้หยุดแค่เท่ า, า, านี้เ